ต่อไปนี้จะพูดธรรมะให้ญาติโยมได้ฟังกันถ้ามีคุณหนูคุณเด็กถ้าอยู่ตรงนี้ก็ต้องขอความการุณานั่งเฉยๆนั่งเรียบๆถ้าไม่เงียบหรือไม่เฉยก็ต้องไปนั่งที่ไกลๆหน่อยเพราะว่าจะลบกวนการฟังและการแสดงธรรม การแสดงธรรมและการฟังธรรมที่ได้ประโยชน์ก็ต้องอยู่ในสถานที่ที่สงบสงดัดเว้ยถ้าสงบทางกายแล้วทางใจก็จะสงบการฟังเทศฟังธรรมนี้มีเป้าหมายอยู่ที่การทาใจให้สงบ สอนใจให้ฉลาดเพราะความสงบความฉลาดของใจนี้เป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตอยู่อย่างสงบสุขปราศ จ, จากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆภารกิจที่สำคัญที่สุดของชีวิตเรา ก็คือภารกิจทางใจคือการดูแลรักษาใจของเราให้มีแต่ความสุขไม่ให้มีความทุกข์การที่ใจจะมีความสุขไม่มีความทุกข์ได้ใจจ้องตั้งอยู่ในความสงบการที่จะทำให้ใจสงบได้จึงต้องบำเพ็ญจิตตภาวนา คือสมถภาวนาและวิปัสนาภาวนาอันนี้เป็นการเป็นการทำให้จิตใจสงบสมถภาวนานี้จะทำให้ใจสงบชั่วคราวส่วนวิปัสนาจะทำให้ใจ สงบอย่างทาวอนในเบื้องต้นก็ต้องเจริญสมถภาวน า, าก่อนเพราะก่อนที่จ ะ, จะเจริญวิปัสสนาได้จะต้องรู้จักความสงบก่อนว่าเป็นอย่างไรพอรู้แล้วว่าความสงบนี้เป็นอย่างไรมีคุณมีประโยชน์อย่างไรก็จะสามารถใช้วิปัสสนาภาวนา รักษาความสงบนั้นต่อไปให้คงอยู่ถ้าปราศ จ, จากวิปัสสนาภาวนาพอออกจากสมถะภาวนามาพอใจเผลอไม่ได้รับการควบคุมดูแลปล่อยให้เกิดความโลภกอดความโกรธเกิดความหลงเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาความสงบที่ได้จากสมถะภาวนาก็จะจางหายไป แต่ถ้ามีวิปัสสนาภาวนาก็จะสามารถระ ง, งับความโลภความโกรธความหลงระ ง, งับความอยากต่างๆที่จะมาทําลายความสงบที่ได้จากสมถภาวนาได้ก็จะทําให้สามารถรักษาความสงบของใจได้อย่างถาวร เพราะวิปัสสนาภาวนาจะทำหน้าที่ขุดรากถอนโคนต้นเหตุของความไม่สงบของใจนั่นเองก็คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆเช่นความอยากในกามอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็น ความอยากเหล่านี้นะที่เรียกว่าเป็นความโลภและเป็นความโกรธที่เกิดจากความหลงที่ไม่รู้ว่าความโลภความอยากความโกรธนี้เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมากลับไปคิดว่าเป็นเหตุที่จะทำให้ได้รับความสุขขึ้นมา จึงมีความอยากกันอยู่ภายในใจตลอดเวลาอยากจะดื่มอยากจะรับประทานอยากจะดูอยากจะฟังอยากจะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะไม่มีอยากจะไม่เป็นเพราะคิดว่าถ้าได้ทำตามความอยากแล้วจะมีความสุขกันความจริงแล้วการได้ทำตามความอยากนี้เป็นเพียง ระ ง, งับความอยากไว้ชั่วคราวทาให้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากนั้นหายไปก็เลยคิดว่าเป็นความสุขกันเช่นอยากจะสูบบุหรี่อยากจะดื่มสุราเวลาที่อยากนั้นไม่รู้ว่าตนเองกําลังอยู่ในความทุกข์อยู่ในความกังวลกังวายกระสับกระส่ายอยู่กับความหงุดหงิดพอได้สูบบุหรี่ได้ดื่มสุรา ความหงุดหงิดความกวลกวายกับสับกระสายก็จะหายไปชั่วคราวก็เลยหลงคิดว่าเป็นการสร้างความสุขดับความทุกข์ด้วยการกระทำตามความอยากหารู้ไหมว่าความทุกข์นั้นเกิดจากความอยากและการที่จะดับความทุกข์ได้อย่างถูกต้องอย่างท้าวอน ก็คือต้องไม่ทำตามความอยากถ้าไม่ทำตามความอยากแล้วความอยากก็จะอ่อนกำลังลงไปแลยวครั้งต่อไปก็จะอ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆถ้าไม่ทำตามความอยากไม่นานความอยากนั้นก็จะหายไปเพราะรู้ว่าอยากแล้วไม่ได้ก็จะไปอยากทำไมคนที่อยากจะสูบคนที่อยากจะเลิกสูบอะไร เลิกดื่มสุราถ้าได้ลองฝืนไม่ทำตามความอยากเวลาอยากจะสูบบุหรี่ก็ไม่สูบเวลาอยากจะดื่มสุราก็ไม่ดื่มถ้าฝืนไปเรื่อยๆไม่นานความอยากก็จะจางหายไปเองแล้วก็หมดไปในที่สุดหรือหรือจะหรือต้องใช้ปัญญาสอนด้วยคือฝืนอย่างเดียวอาจจะ อาจจะหวนกลับคืนมาได้อีกเวลาที่ไม่มีดืม่มไม่มีสุราดืม่มก็ไม่ได้ดืม่มก็ไม่เป็นไรแต่พอไปเจอสุราเข้าความอยากก็จะกลับคืนมาได้อีกถ้าเราหยุดความอยากดื่มสุราด้วยการฝืนเวลาไม่มีสุราดืม่มเราก็ไม่ดื่มแต่พอเวลาไปเห็นสุราเขา้าความอยากก็จะกลับคืนขึ้นมาได้อีก แต่ถ้าอยากจะไม่ดื่มเลยอย่างถาวรก็ต้องเห็นโทษของการดื่มสซดาเห็นโทษของความอยากดืม่มโซราว่าสร้างความทุกข์ให้กับใจและการดืม่มโซราก็เป็นโทษกับร่างกายและจิตใจร่างกายก็เจ็บไข้ได้ป่วยจิตใจก็กระวนกระวายหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดี เวลาที่อยากจะดื่มสรดาแล้วไม่ได้ดื่มสราแล้วถ้าดื่มสรดาความอยากก็จะไม่หายไปก็จะติดการดื่มสราแล้วก็อาจจะตายอยากการดื่มสรดาก็ได้ถ้าเห็นด้วยปัญญาเห็นโทษของความอยากและสิ่งที่อยาก ก็จะไม่ดื่มอีกต่อไปจะมีสุราให้ดื่มหรือไม่มีสุราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะจะไม่กล้าแตะเพราะจะเห็นสุรานี้เป็นเหมือนยาพิษนั่นเองนี่คือต้องเห็นโทษของสิ่งที่เราอยากและเห็นโทษของความอยากว่าทุกครั้งที่เกิดความอยากจะสร้างความไม่สบายใจ สร้างความหงุดหยิดดำคาญใจสร้างความกังวลกวายกระสับกระสายให้ปรากฏขึ้นมากับใจการที่จะเห็นความทุกข์ความไม่สบายใจที่เกิดจากความอยากได้นี้จำเป็นจะต้องมีความสงบก่อนเวลาใจสงบแล้วเวลาเกิดความไม่สงบขึ้นมาจะเห็นทันทีเหมือนกับน้ำที่นิ่ง เวลามีอะไรโยนลงไปในน้ำเช่นโยนก้อนหินลงไปในน้ำน้ำก็จะกระเพิ่มขึ้นมาก้อนหินก้อนเล็กๆนี้ก็พอก็่จะเห็นทันทีแต่ถ้าน้ำไม่สงบน้ามีคลื่นอยู่ตลอดเวลาเวลายโยนอะไรลงไปในน้ำก็จะไม่เห็นความแตกต่างกันเพราะใจพอาน้ำก็มีคลื่นอยู่ตลอดเวลา โยนก้อนหินลงไปก้อนใหญ่ก็ยังไม่เห็นความแตกต่างกันก็จะไม่รู้ว่าความกวนกวยความกระสรับกระส่ายนี้เป็นทุกข์ที่เกิดจากความอยากดังนั้นในเบื้องต้นจึงต้องเจริญสมถะภาวนาก่อนทำใจให้สงบก่อนจะทำใจให้สงบด้วยการบริกรรมก็ได้ หรือจะใช้ปัญญาเวลาที่ใจมีความพุ่งส่างมีความเครียดมีความทุกข์และถ้าใช้ปัญญาเป็นพิจารณาด้วยปัญญาเพื่อให้ให้เห็นเหตุเห็นผลว่าความไม่สงบของใจนี้เกิดจากอะไรถ้าพิจารณาเห็นว่าเกิดจากความอยากได้สิ่งหนึ่งสิ่งใด แล้วพิจารณาว่าสิ่งที่อยากได้นั้นได้มาแล้วก็จะไม่ได้ให้ประโยชน์ได้ให้ความสุขแก่ใจแต่อย่างใดกลับจะให้ความทุกข์กับใจเพราะจะต้องเป็นภาระทางใจที่จะต้องคอยดูแลรักษาแล้วก็จะต้องสร้างความทุกข์ความเสียใจให้กับใจเวลาที่สิ่งที่ได้มานั้นจากไปสูญเสียไป ถ้าเห็นว่าไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปสั่งให้สิ่งที่อยากได้อยากเป็นอยากมีให้เป็นไปตามความต้องการของใจได้อยากไปก็ไม่ได้นั่งใจอยากถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะระงับความอยากได้ระงับความทุกข์ความเครียดความวุ่นวายใจได้ใจก็เข้าสู่ความสงบได้ การทำความสงบของใจแบบนี้เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิคือแทนที่จะใช้การบริกรรมการเพ่งอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพื่อให้ใจหยุดคิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆแล้วให้ใจเข้าสู่ความสงบก็ใช้ปัญญาดึงใจให้ออกจากเรื่องราวที่ทำให้ใจวุ่นวายไม่สงบนั่นเองก็ทำได้สองวิธีทำได้ด้วยการเพ่ง หรือทำได้ด้วยการใช้ปัญญาถอนความอยากถอนความผูกพันกับสิ่งที่ทำให้ใจวุ่นวายไม่สงบนั้นถ้าถอนออกมาได้ใจก็จะสงบได้หรือถ้าใช้การเพ่งไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวที่ทำให้เกิดความวุ่นวายใจก็ทำให้ใจสงบได้เช่นเพ่งอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึน่งเพ่งกับลมหายใจเข้าออก เพ่งกับการบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธหรือเพ่งกับอาการสามสิบสองก็ได้อาการใดอาการหนึ่งก็ได้หรือทั้งสาสิบสองอาการก็ได้นี่คือการภาวนาเบื้องต้นเบื้องต้นเราต้องทําใจให้สงบก่อนให้รู้คุณประโยชน์ของความสงบก่อนให้รู้คุณค่าของความสงบก่อน พอรู้แล้วว่าไม่มีอะไรในโลกนี้จะมีคุณค่าเท่ากับความสงบเราก็จะได้รักษาความสงบนี้แทนที่จะแลกเอาความสงบที่มีคุณค่านี้ไปกับสิ่งที่ไม่มีคุณค่าต่างๆที่เราเคยเคยอยากได้เคยอยากมีเคยอยากเป็นเราก็จะหยุดความอยากต่างๆได้ แต่ความสงบนี้ไม่ได้สด้ยังไม่ได้หยุดความอยากเพราะเพียงแต่หยุดชั่วคราวคือไม่ได้หยุดอย่างถาวรความสงบนี้เปรียบเหมือนกับหินทับหญ้าหญ้านี้เปรียบเหมือนกับความอยากเวลาเอาหินไปทับหญ้าไว้หญ้าก็จะไม่เจริญงอกงามขึ้นมาพอเวลาเอาหินออกจากหญ้า ย่าก็จะเจริญงอกงามขึ้นมาได้ถ้าอยากจะให้หญ้านี้ตายไปอย่างท้าวรนก็ต้องถอนรากถอนโคนของหญ้าขึ้นมาสมถะภาวนาไม่สามารถถอนรากถอนโคนของความอยากได้รากโคนของความอยากของความโลภของความโกรธก็คือความหลงเี่เงความหลงคืออะไร คือไม่เห็นว่าความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ไม่เห็นว่าสิ่งที่โลภสิ่งที่อยากได้นั้นไม่สามารถให้ความสุขที่แท้จริงที่ถาวรได้ได้เพียงความสุขชั่วคราวแล้วก็จะให้ความทุกข์มากกว่าความสุขที่ได้รับเวลาที่สูญเสียสิ่งที่ได้มาไป หรือเวลาที่ต้องคอยดูแลรักษาสิ่งที่ได้มาเพราะสิ่งที่ได้มานี้ไม่เที่ยงนั่นเองไม่ถาวรไม่คงที่ไม่คงเส้นคงวามีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนให้ดีขึ้นก็มีเปลี่ยนให้เลวลงก็มีส่วนใหญ่จะเปลี่ยนให้เลวลงไปของอะไรเวลาได้มาใหม่ๆจะดีไปหมด เวลาใช้ไปสักระยะหนึ่งแล้วความเสื่อมก็จะปรากฏขึ้นมาเวลาเสื่อมของที่ดีก็จะไม่ดีเพราะใช้ไม่ได้เช่นรถยนต์เวลาซื้อมาใหม่ๆก็ดีไปหมดขับรถไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกสบายแต่ใช้ไปนานเข้านานเข้าชิ้นส่วนต่างๆก็เกิดการชำรุดทรุดโทรมขึ้นมา ก็จำเป็นจะต้องมีการเอาเข้าอู่เข้าโรงซ่อมก็จะไม่ได้ให้ความสุขให้ความสะดวกสบายเหมือนตอนที่ซื้อมาใหม่ๆนี่คือสภาพของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์หึกเป็นบุคคลหรือเป็นวัตถุข้าวของต่างๆอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทั้งนั้นคือไม่เทีย่ยง มีการเจริญมีการเสื่อมมีการเกิดมีการดับไปเป็นธรรมดาเวลาเจริญก็ให้ความสุขเวลาเสื่อมก็จะให้ความทุกข์แล้วก็ไม่สะไม่มีใครที่จะไปสั่งให้เขาไม่เสื่อมสั่งไม่ให้เขาเปลี่ยนแปลงสั่งให้เขาคงเส้นคงวาเป็นอยู่เหมือนเดิมไปตลอดสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้ นี่คือลักษณะของสิ่งต่างๆที่ใจไปหลงอยากไปคิดว่าสิ่งต่างๆจะให้ความสุขจะให้ความสุขจะอยู่กับตนไปตลอดจะอยู่ภายใต้การควบคุมบังคับสามารถสั่งให้ทำอย่างนั้นทาอย่างนี้ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เสมอไปแต่ความจริงแล้วสั่งไม่ได้เสมอไป สั่งได้บางเวลาเช่นรถยนต์เวลาซื้อมาใหม่ๆสั่งให้ขับพาไปไหนมาไหนก็สั่งได้แต่พอใช้ไปนานเข้านานเข้าบางทีสั่งให้ไปกลับไม่ยอมไปสตาร์ทรถรถไม่ยอมติดขึ้นมาเพราะแบตเตอรี่เสื่อมหมดสภาพไปหรือดชาร์จไม่ทำงานไม่สามารถสตาร์ทรถขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเสื่อม ที่ความหลงจะทำให้มองไม่เห็นกันเวลาเห็นอะไรจะคิดว่าดีอย่างเดียวจะเห็นส่วนที่ดีอย่างเดียวจะไม่เห็นส่วนที่ไม่ดีส่วนที่เสื่อมจะเห็นส่วนที่เจริญพอไปพบกับความจริงเข้าทีหลังก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอันนี้ถ้าต้องการที่จะถอนความอยาก ก็ต้องสอนใจให้ฉลาดไม่ให้หลงต้องสอนใจให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้สอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะไม่ได้ดังใจเสมอไปอันนี้คือการถอนอถอนรากเหง้าของความอยากต่างๆต้องถอนด้วยปัญญา ต้องถอนด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องเห็นว่าความทุกเกิดจากความอยากความอยากเพราะไปอยากในสิ่งที่ไม่สามารถตอบสนองความอยากได้เสมอไปบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้เวลาได้ก็สบายสบายใจไปเวลาไม่ได้ก็จะทุกข์ใจ ความทุกข์ใจของพวกเราทุกคนเนี่ยเกิดจากความอยากวันไหนไม่สบายใจลองถามตัวเองดูลองพิจารณาดูว่าวันนี้เราอยากได้อะไรอยากเป็นอะไรอยากมีอะไรบางทีเติบขึ้นมาก็อารมณ์ไม่ดีแล้วถ้าพิจารณาดูก็จะรู้ว่ามันเกิดจากความอยากเช่นอยากจะให้มันอารมณ์ดี ไม่เข้าใจหลักว่าอารมณ์นี้ก็เป็นการแปรป่วนไม่เที่ยงเหมือนกันอารมณ์บางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีเพราะมีเหตุมีปัจจัยที่ทําให้อารมณ์ดีแล้อไม่ดีร่างกายพักผ่อนหลับนอนพอเพียงหรือเปล่าร่างกายปากติหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเหตุที่ทําให้เกิดอารมณ์ดีหรือไม่ดีขึ้นมาได้เหตุการณ์ต่างๆรอบตัวเองเป็นไปตามความอยากของตนหรือเปล่า ถ้าเป็นไปก็จะมีอารมณ์ดีถ้าไม่เป็นไปตามความอยากก็จะมีอารมณ์ไม่ดีฝนฟ้าอากาศก็มีส่วนที่ทําให้เกิดอารมณ์ดีไม่ดีได้บางวันอากาศร้อนก็อารมณ์ไม่ดีได้บางวันอากาศมืดฟ้ามือ่อมัวฝนก็อากาศอารมณ์ไม่ดีได้บางวันอากาศแจ่มใสยเย็นสบาย วันนั้นก็เกิดอารมณ์ดีขึ้นมาวันไหนเดินทางแล้วเจอรถติดมากๆก็ทําให้เกิดอารมณ์เสียได้สิ่งเหล่านี้เราต้องเข้าใจแล้วอย่าไปยึดไปติดอย่าไปอยากให้มันดีเสมอไปเมื่อมันไม่ดีแล้วเราไม่สามารถไปจัดการกับเหตุปัจจัยที่ทําให้มันเกิดอารมณ์ไม่ดีได้เราก็ต้องใช้ปัญญาสานใจว่า ต้องปล่อยวางต้องอยู่กับมันไปมันจะไม่ดีก็ต้องอยู่กับมันไปเช่นเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไปห้ามไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ก็ต้องอยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยไปมียาก็รักษาไปถ้าหายก็ดีถ้าไม่หายก็ก็ต้องอยู่กับมันไปถ้าไม่มีความอยากให้มันหาย ก็จะไม่มีความทุกข์ใจนี่เรียกว่าวิปัสสนาที่เราจะต้องคอยสอนใจให้ทันกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับจิตใจของเราที่มีอยู่ตลอดเวลาแต่เรามักจะไม่ใช้วิปัสสนาแก้ปัญหากันเรามักจะใช้ทำตามความอยากแก้ปัญหากันถ้าอารมณ์หกรธย็ด ก็ไปหาอะไรทําเพื่อให้มันหายหงุดหงิดเช่นบางทีเคยหายเพราะว่าไปซื้อข้าวซื้อของไปช้อปปิง้งหรือไปดูภาพยนตร์ไปดื่มไปรับประทานก็ทําให้อารมณ์ที่หงุดหงิดนั้นหายไปชั่วคราวแต่มันก็จะไม่หายถาวรแต่ถ้าเราใช้ปัญญาแล้ว ต่อไปอารมณ์หงุดหจิดต่างๆมันจะหายไปหรือถ้ามันมีมันก็จะไม่เป็นปัญหากับใจเพราะใจไม่มีความอยากให้อารมณ์นั้นหายไปอยู่กับมันได้จังหวดเหตุก็อยู่กับมันไม่ต้องหนีมันไม่ต้องไปทาอย่างอื่นเพื่อมาหนีมันไปอยู่กับมันไปพิจารณาด้วยปัญญาว่ามันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมีเจริญก็มีเสื่อมเหมือนกัน เดี๋ยวมันก็เสื่อมหายไปได้เหมือนกันโรคภายไข้เจ็บมันก็เป็นแล้วมันก็หายได้เหมือนกันถ้ามันไม่หายก็ไม่เป็นไรก็อยู่กับมันไปนี่คือวิปัสสนาเราต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจมาสัมผัสรับรู้ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายและผ่านมา ทางธรรมทางอารมณ์ต่างๆภายในใจเรียกว่าธรรมอารมณ์สิ่งเหล่านี้เขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสปวดทพะก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอารมณ์ภายในใจก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกันเวลาเขาเกิดก็พิจารณาเพื่อปล่อยวางพิจารณาให้เห็นว่าเขาเป็นอนัตตา เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับเขาได้สิ่งที่เราควบคุมบังคับได้ก็คือความอยากของเราอย่าให้เราไปอยากกับเขาเท่านั้นเองแล้วใจของเราจะไม่เดือดร้อนจะไม่วุ่นวายจะไม่ทุกข์นี่คือวิปัสสนาดังนั้นเราต้องพิจารณาสิ่งต่างๆที่เรายังมีความหลงมีความยึดติดอยู่ เช่นเบื้องต้นเราต้องพิจารณาสิ่งที่อยู่ภายนอกเช่นราบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสปพะนี่คือสิ่งที่พวกเราวุ่นวายกันทุกกันอยู่ทุกวันทุกเวลาทุกกับราบทุกกับยศทุกกับสรรเสริญทุกกับรูปเสียงกลิ่นรสปพะเพราะเขามีความเสื่อมเวลาเสื่อมรากก็บ่นกัน เวลาถูกตัดเงินเดือนเวลาขึ้นภาษีอันนี้ก็จะบ่นกันทุกข์ใจกันไม่สบายใจเวลาน้ำมันขึ้นราคาเวลาค่าน้ำค่าไฟขึ้นราคาอันนี้ก็คือการเสื่อมเสื่อมลาเพราะต้องเสียเงินเพิ่มมากขึ้นเสื่อมยศก็คือเวลาถูกโยกย้ายให้ไปทำในงานในตาแหน่งที่ไม่ชอบไม่อยากได้ อันนี้ก็เกิดความทุกข์ขึ้นนะสรรเสริญการเสื่อมของขับสรรเสริญก็คือการถูกการหานิมทาว่ากล่าวติเตียนก็ไม่ชอบอพอแต่เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้เช่นเดียวกับรูปเสียงกลิ่นรสผดถ พ, พะเวลาได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผดถภาที่ถูกอกถูกใจก็เกิดความสุขใจขึ้นมา เวลาสัมผัสกับรูปเสียงกินลดโภพพะที่ไม่ถูกอกถูกใจก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมานะเพราะว่าเขาก็ไม่เที่ยงเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงมีเจริญมีเสื่อมไปนะอันนี้กล่าวต้องสอนใจเราการเจริญวิปัสสนานี้ก็ทำได้สองลักษณะเจริญในขณะที่ยังไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือทำการบ้านไปก่อนเตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ต่าง เช่นพิจารณาว่าเงินทองสักวันหนึ่งอาจจะน้อยลงไปอาจจะหมดไปตาแหน่งก็อาจจะต้องหมดไปไม่ช้าก็เร็วเช่นอายุหกสิบปีนี้ก็ต้องกเกษียณจากงานการตาแหน่งที่ได้รับก็จะหายไปจะหมดไปการสรรเสริญก็หมดไปได้เวลาคนที่เขาไม่ชอบเราเขาก็ไม่สรรเสริญ เขาก็จะขอรหาสนินทาลูปเสียงกลิ่นรสผดเถรพะก็มีมามีไปเวลาบางเวลาก็ได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผดเถรพาที่น่าชื่นชมยินดีบางเวลาก็ต้องสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผดเถรภะที่ไม่น่าชื่นชมยินดีอันนี้ก็คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆที่ใจเรามาสัมผัสรับรู้ เราต้องรู้ว่าเขาเป็นอนิจจังไม่เที่ยงรู้ว่าเขาเป็นอนัตตาเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับไปสั่งเขาได้ตลอดเวลาถ้าเราเกิดความอยากให้เขาเป็นไปอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเรายอมรับความจริงอยู่กับเขาไปไม่อยากให้เขาเป็นอย่างอื่นก็จะไม่เกิดความทุกข์ใจเราจะเจริญก็อยู่กับเขาได้ เขาจะเสื่อมก็อยู่กับเขาได้เขาจะหายไปหมดไปก็อยู่กับก็อยู่กับการไม่มีอะไรได้อันนี้ถ้ามีสมถภาวนามีความสงบแล้วจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะว่ายังมีสิ่งที่ดีกว่าอยู่กับใจก็คือความสงบนี้แต่ผู้ที่ยังไม่มีสมถะยังไม่มีความสงบนี้จะปล่อยไม่ลง เพราะคิดว่าถ้าปล่อยแล้วจะไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งไม่มีอะไรเป็นที่เกาะไม่มีอะไรเป็นที่ให้ความสุขกับตนมี่ต่างกันตรงนี้คนที่มีสมถภาวนาแล้วคนที่มีความสงบแล้วก็จ ะ, จะเจริญวิปัสสนาภาวนาเพื่อหยุดความอยากดับความทุกข์ได้แต่คนที่ยังไม่มีสมถะไม่มีความสงบเนี้ จะไม่สามารถเจริญวิปัสสนาภาวนาเพื่อหยุดความอยากเพื่อดับความทุกข์ภายในใจได้เพราะไม่ยอมปล่อยยังรักยังหวงอยู่เพราะคิดว่าถ้าเสียสิ่งที่รักที่หวงไปแล้วจะไม่มีความสุขแต่หารู้ไหมว่ามีความสุขที่ดีกว่าเหนือกว่าอยู่แล้วภายในใจเพียงแต่ว่ายังไม่ได้สร้างมันขึ้นมา ยังไม่เคยสัมผัสยังไม่เคยเห็นไม่เคยพบเท่านั้นเองถ้าเคยพบเคยเห็นแนละ้วจะไม่กลัวกับการาหยุดความอยากจะไม่กลัวกับการปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่กลัวกับการอยู่โดยปราศจากสิ่งต่างๆไม่มีลาบยศสรรเสริญไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะก็จะไม่เดือดร้อนกับสบายกว่าสิเพราะลาบยศสรรเสริญ รูปเสียงกลินรสนี้มันมีทั้งคุณและมีทั้งโทษนั่นเองถ้าเอามาเอารูปเสียงกลินรถก็จะได้ทั้งคุณและได้ทั้งโทษคือได้ทั้งความสุขและได้ความทุกข์ถ้าไม่เอาก็สบายไม่ไม่มีความสุขก็ไม่เป็นไรเพรได้มีความสุขที่ดีกว่าจากความสงบของใจที่มีอยู่ในใจอยู่แล้ว อันนี้คือความสำคัญของการเจริญสมถะภาวนาถ้าไม่มีสมถะภาวนาแล้วอย่าไปเจริญวิปัสสนาให้เสียเวลาเจริญไปก็จะไม่สามารถที่จะตัดความอยากในสิ่งต่างๆได้นี่คือเรื่องของการดูแลรักษาใจรักษาใจให้สงบรักษาใจให้มีความสุขรักษาใจ ไม่ให้มีความทุกข์ต้องรักษาด้วยการบาเพ็ญจิตตภาวนาคือขั้นต้นก็คือสมถภาวนาทำใจให้สงบให้มีความสุขจากความสงบพอมีความสุขจากความสงบแล้วขั้นต่อไปก็รักษาความสงบความสุขนี้ด้วยการกาจัดความโลภความโกรธความอยากต่างๆด้วยการ สอนใจให้ฉลาดไม่ให้หลงความหลงทำให้เกิดความอยากทำให้เกิดความโลภปัญญาหรือปรัชนาคือความรู้แจ้งเห็นจริงรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่อยู่ภายใต้อํานาจของใครทั้งนั้นสั่งไม่ได้ถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะไม่หลงอยากได้สิ่งต่างๆในโลกนี้พอไม่มีความอยากได้สิ่งต่างๆ ก็จะไม่มีความทุกข์ใจนี่แล้วเป็นความเป็นการทําลายถอดถอนความอยากอย่างถา้าวละไม่อยากได้อะไรเพราะจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นเหมือนยาพิษนั่นเองถ้าเห็นว่าเป็นยาพิษแล้วไม่มีใครอยากจะแตะไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้แต่ถ้ายังเห็นว่าเป็นขนมอยู่ก็ยังจะอยากจะชิมยังอยากจะรับประทานกันอยู่ แต่ไม่รู้ว่าขนมนี่มันมียาพิษซ่อนอยู่ข้างในพอกินเข้าไปแล้วพอเจอพิษยาพิษของพิษของยาพิษขึ้นมาถึงจะรู้ว่ามันมันร้ายแรงขนาดไหนมันอันตรายขนาดไหนแต่ตอนนั้นก็สายไปเสียแล้วเหมือนเวลาไปรักไข่ไปชอบไครเข้าเวลาอยู่กันใหม่ๆก็ดีใจมีความสุขพอเขาจากไป ทีนีจ้จะเห็นความทุกข์เกิดขึ้นมาทันทีนี่แหละคือสิ่งที่เราไม่เห็นกันก่อนเรามาเห็นตอนที่มันสายไปเสียแล้วตอนที่ได้เขามาแล้วแล้ว เ, เสียเขาไปตอนนั้นก็เหมือนกับตกนระลกทั้งเป็นจะไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่อยากจะอยู่ต่อไปเพราะคิดว่าเสียเขาไปแล้วความสุขในโลกนี้หมดไปแล้ว หาความสุขใหม่ไม่ได้อีกแล้วบางคนถึงกับฆ่าตัวตายไปนี่แหละคืออำนาจของความทุกข์ที่บีดคั้นจิตใจจนทำให้ไม่อยากที่จะอยู่ต่อไปแต่ถ้าได้เจริญวิปัสสนาภาวนาอยู่เรื่อยๆสอนใจอยู่เรื่อยๆเวลาเกิดความอยากได้อะไรก็จะเห็นยาพิษเห็นว่าเป็นยาพิษทันที ก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรก็จะอยู่เฉยๆได้อย่างสบายไม่ต้องทุกข์กับเรื่องอะไรทั้งนั้นไม่ต้องทุกข์กับคนนั้นคนนี้ไม่ต้องทุกข์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ต้องทุกข์กับราบยศสรรเสริญไม่ต้องทุกข์กับเรืองสูงกิ่นลดผลิภาพฑ์ไม่ต้องทุกข์กับร่างกายร่างกายนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเจริญแล้วก็เสื่อมเหมือนกันเกิดแล้วก็ต้องแก่ ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันถ้าไม่มีความอยากในร่างกายแล้วก็จะไม่ทุกกับความเสื่อมของร่างกายร่างกายจะแก่ก็ไม่เดือดร้อนจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เดือดร้อนจะตายก็ไม่เดือดร้อนปล่อยให้มันแก่มันเจ็บมันตายไปเพราะรู้ว่าไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไม่ให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้นั่นเอง นี่คือการใช้วิปัสสนาเราต้องพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีความเกี่ยวข้องด้วยมีการรับรู้ด้วยว่าต้องปล่อยวางรู้แล้วปล่อยวางรับรู้แล้วปล่อยวางอย่าไปอยาบเช่นได้ยินเสียงปั๊บก็ปล่อยวางไปอย่าไปเกิดอารมณ์กับเสียงที่ได้ยินเห็นรูปปั๊บก็ปล่อยวางไปอย่าไปเกิดอารมณ์กับรูปที่ได้เห็น ให้รู้ว่าเขามาแล้วไปก็พอให้รู้ว่าถ้าไปยุ่งกับเขาแล้วจะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอันนี้เราต้องสอนใจอยู่เรื่อยๆทำการบ้านไปก่อนถ้าเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่เวลาอยู่ในเหตุการณ์นี้เราก็ต้องรีบเราก็ต้องรีบใช้ปัญญาใช้วิปัสสนาให้ทานกับเหตุการณ์ อย่าปลให้ใจหลงไปอยากกับเหตุการณ์ต่างๆเช่นเวลาเจอคนแล้วถูกเท่าว่ากล่าวติเตียนเราจะทําใจเฉยๆได้หรือเปล่าหรือเราจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาไม่พอใจถ้าไม่พอใจก็แสดงว่าเกิดความอยากแล้วอยากไม่ให้เขาตําหนิติเตียนเราเพราะเขาตำหนิติเตียนเราก็เกิดความโกรธ เกอารม์ไม่สบายใจขึ้นมาแต่ถ้ารู้ทันรู้ว่าอ๋อนี่เรากำลังโกรธเพราะว่าเราไม่ชอบไม่อยากฟังเสียงตำหนิติเตียนเราก็ต้องหยุดความอยากนั้นด้วยการพิจารณาว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้เขาเป็นอนาตาัตตาการตำหนิติเตียนนี้เป็นเหมือนอนัตเป็นอนัตตาไม่เป็นเหมือนฝนตก เวลาฝนตกเราไปสั่งให้ฝนหยุดไม่ได้เวลาคนอื่นเขาจะตำหนิตีเตียนเราเขาละหานินทาเราเราไปห้ามเขาไม่ได้เราห้ามใจได้ห้ามใจเราอย่าไปอยากให้เขาหยุดปล่อยให้เขาพูดให้พอปากของเขาหูของเราใจของเราเรารักษาใจของเราได้เราปิดหูได้ไม่ฟังก็ได้เดินหนีไปก็ได้ โดยจะฟังก็ได้ฟังก็ฟังแบบเสียงนกเสียงกาไปเหมือนตอนนี้เสียงนกเสียงกามันร้องเราก็ฟังได้มันก็เป็นเสียงเหมือนกันเสียงดาเสียงชมมันก็เป็นเสียงเหมือนกันออกจากปากเหมือนกันอยู่ที่ใจเราต่างหากที่ไปให้ความหมายกับมันแล้วก็ไปหลงกับความหมายนั้นว่าดีว่าไม่ดีถ้าดีก็ดีออกดีใจถ้าไม่ดีก็เสียออกเสียใจ อันนี้เป็นปัญหาของเราไม่ได้ปัญหาที่เสียงเสียงเขาก็เป็นเสียงแต่เราไปหลงให้ความหมายกับเสียงที่เราได้ยินได้ฟังแล้วก็ไปดีใจเสียใจกับความหมายนั้นเท่านั้นเองเราต้องรู้ทันความหมายต่างๆว่าเราไปเป็นคนให้ค่ามันเองให้บวกให้ลบมันเองให้ดีให้ไม่ดีมันเองความจริงมันไม่มันไม่มันไม่ได้ปมันไม่ได้ เป็นดีหรือไม่ดีเหมือนเฉยๆมันเป็นกลางๆเหปัญหาอยู่ที่เราเราต้องทาใจเราให้เป็นกลางให้ได้ถ้าใจเราเป็นกลางแล้วจะรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเป็นกลางจะไม่มีบวกไม่มีลบไม่มีดีไม่มีชั่วใจที่จะเป็นกลางนี่ก็คือใจที่สงบนี่เวลาใจสงบที่แท้จริงนี่ใจจะเป็นอุเบกขา จะไม่มีรักไม่มีฉัตจะเฉยเฉยจะสักแต่ว่ารู้รับรู้เฉยเฉยนี่คือเรื่องของการเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาที่จะต้องทําตามลําดับกันขั้นต้นต้องสมถภาวนาก่อนแล้วค่อยตามด้วยวิปัสสนาภาวนาเหมือนกับการ เดินกับการวิ่งก่อนที่จะวิ่งได้ต้องเดินให้เป็นก่อนถ้าเดินยังไม่ได้อย่าพึ่งไปวิ่งวิ่งแล้วเดี๋ยวก็จะล้มเพราะเดินยังเดินไม่ได้จะไปวิ่งได้อย่างไรและก่อนที่จะเดินก็ต้องยืนให้ได้ก่อนก่อนที่จะได้สมถะภาวนาก็ต้องเจริญสติก่อนต้องควบคุมความคิดก่อนต้องควบคุมความคิดให้หยุดความคิดไม่ให้คิดเรื่องราวต่างๆ ถ้าคิดเรื่องราวต่างๆแล้วใจก็จะไม่สงบให้คิดเรื่องเดียวเช่นให้บริกรรมพุทธโธพุทธโธไปอย่างเดียวหรือให้ดูลมหายใจเข้าออกถ้านั่งเฉยๆก็ดูลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือบริกรรมพุทธโธอย่างเดียวก็ได้บางท่านจะใช้ทั้งสองอย่างควบคู่กันไปก็ได้แล้วแต่ความถนัดบางท่านหายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโธ อย่างนี้ก็ได้หรือจะไม่ใช้พุโทโธก็ได้ดูลมเฉยๆดูที่ปลายจมูกไปหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ตรงปลายจมูกเลยไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกไม่ต้องไปบังคับลมให้หายใจสั้นหรือหายใจยาวลมจะสั้นหรือจะยาวก็ปล่อยให้ไปเป็นธรรมชาติของลมเราเพียงแต่มีหน้าที่นั่งดูลมเหมือนกับเรานั่งดูทีวีเราไม่ต้องไปสั่งให้ทีวีเป็น ผลิตเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เราดูเราเปิดทีวีแล้วเราก็นั่งดูไปเขามีอะไรให้เราดูเราก็นั่งดูไปการดูลมก็เหมือนดูทีวีนี่ดูลมเข้าดูลมออกอย่าไปบังคับให้ลมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ใช่การภาวนาการภาวนานี้ต้องการใช้ลมเป็นที่เกาะเป็นที่ผูกใจเพื่อไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเป้าหมายของการทาสมถะภาวนา ก็คือให้หยุดความคิดตุงงต่้งนั่นเองถ้าความหยุดความคิดตุ้งต่งได้ความสงบก็จะปรากฏขึ้นมาความสงบความหยุดของความคิดตุ้งต่งได้ก็เกิดจากการเพ่งอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นการบริกรรมพุทโธหรือการดูลมหายใจเข้าออกนี่คือขั้นตอนของการบาเพ็ญจิตตภาวนาขั้นต้นต้องจเจริญสติให้มากมากก่อน อย่ามาเจริญเฉพาะเวลามานั่งสมาธิเท่านั้นไม่พอต้องเจริญทั้งวันเลยตั้งแต่ก่อนที่เรามาันจะมานั่งเนี่ยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับทั้งวันไม่ว่าเราจะทําอะไรให้มีสติจเจริญสติอยู่ได้เรื่อยจะใช้พุทธโธก็ได้จะให้อยู่กับร่างกายก็ได้เวลาไม่ได้นั่งนี้ดูลมไม่สะดวกดูร่างกายจะง่ายกว่าเลาดูร่างกายเหมือนกับดูลมเนี่ย ร่งางกายทําอะไรก็เฝ้าดูไปกําลังยืนก็รู้ว่ากำลังยืนกําลังเดินก็รู้ว่ากำลังเดินกําลังนั่งกําลังทําอะไรก็ให้รู้อยู่กับและการกระทําของร่างกายไม่ให้ไปรู้เรื่องอื่นไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นพอมีเวลาว่างมานั่งหลับตาดูลมหายใจต่อไปก็จะสงบได้หรือบริกรรมพุทธโธไปก็จะสงบได้ พอสงบแล้วลขณะที่สงบยังไม่ใช่เวลาที่จะเจริญวิปัสนาวิปัสสนานี้ต้องรอให้ออกจากความสงบก่อน อ, ออกจากความสงบแล้วมาคิดปรุงแต่งก็ใช้ความคิดปรุงแต่งนี้ให้คิดไปในทางวิปัสนาคิดไปในทางอนิจจ์ทุกขังอนัตตาเห็นอะไรก็ว่าเป็นอนิจจ์เป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาเห็นรูปก็ว่าเป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตา ได้ยินเสียงก็เหมือนกันพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่รับรู้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อทําลายความหลงที่จะไปคิดว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาเพราะถ้าเห็นว่าเป็นนิจจังสุ ข, ขังอัตตาก็จะเกิดตัณหาความอยากได้ขึ้นมาถ้าเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะไม่อยากได้เพราะไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะเสียสิ่งที่ได้มานี่คือเรื่องของการเจริญ สติจเจริญสมถะภาวนาและจะริวิปัสสนาเพื่อถอดถอนความอยากต่างๆให้หมดออกไปจากใจอย่างถาวรเพื่อดับความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปก็ยุติการเวียนว่ายตายเกิดนี่แหละคือเรียกว่าภารกิจที่สําคัญที่สุดของชีวิตก็คือการภาวนานี้เพราะชีวิตจิตใจของเหล่านี้มันไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ถ้ายังไม่ได้รับการาดูแลรักษาด้วยการภาวนาจิตใจก็ยังจะมีความอยากจะสร้างความทุกข์จะเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้ามีการเจริญสติเจริญสมถะเจริญวิปัสสนาภาวนาแล้วก็จะมีการยุติของการเวียนว่ายตายเกิดมีการดับของความทุกข์มีการหยุดของความอยากอย่างถาวร ดังนั้นขอให้พวกเราจงถือการบาเพ็ญจิตตภาวนานี้เป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งของชีวิตอย่าไปหลงกับภารกิจต่างๆในโลกนี้ทำเท่าที่จำเป็นทำเพื่อรักษาชีวิตคือร่างกายนี้ให้อยู่ต่อไปเพื่อจะได้เอาร่างกายนี้มาบาเพ็ญจิตตภาวนาเท่านั้นการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติ ไว้เพียงทนันีและอยาขออนุโมทนาให้ผ่อนอยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานางอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิจตุสาเพปุเรนตุสังกปา ยันโทปนาราโสยามณโชติกราโสยาสัพพิติโยวิวาจันโตสัพพโรควินสตุมาเตภวทวันตรยสุขิธีายุโกภวะอาภวาธนสีรินิจวุทาปจายโนยตารุธมวทานติ อายุวันโอสุขางภาลัางใครมีปัญหาอะไรคุณหมอที่แสดงไปแล้วยังไม่แจ้งไม่ชัดก็ถามได้นะ ก็เหมือนกับสร้างบ้านเนี่ยถ้าเราตอกเสาเข็มไว้สําหรับตึกห้าชั้นก็จะสร้างได้แค่ตึกห้าชั้นน้ําหนักมันจะรับได้เท่านั้นถ้าต้องการสร้างตึกสิบชั้นก็ต้องสร้างฐานที่รับน้ําหนักของฐานของตึกอาคารนั้นให้ให้ตามน้ําหนักที่เราต้องการฐานก็เป็นเหมือนรากฐานสิงก็เป็นเหมือนเสาอย่างนี้แล้วก็สมาธิก็เป็นเหมือนโครงสร้างต่าง เป็นมันต้องมันมีสัดส่วนของมันถ้าทำทานได้สิบเปอร์เซ็นตก็จะรักษาศีลได้สิบเปอร์เซนยามภาวนาได้สิบเปอร์เซ็นอันนี้พูดแบบข้าวๆภาพทั่วไปอาจจะมีกรณีพิเศษอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่โดยทั่วไปก็ต้องเป็นอย่างนั้น ทนี้ถ้าสมามติว่าถามคนที่ไม่มีเงินเลยเนี่ยก็ไม่ต้องทําทานเลยเนี่แสดงว่าเข า, เ, าเขามีทาน100ร้อยเปอร์เซ็นตแล้วก็มีทานศูนเปอร์เซ็นตถ้ามองตามหลักของศาสนาก็าเขามีทานร้อยเปอร์เซ็นเพราะเขาไม่มีอะไรจะให้แล้วเขาใหา้คือเขาไม่มีภาระที่ต้องมากังวลกับเรื่องของทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเขาก็จะไม่ต้องมากังวลไม่ต้องมาเสียเวลากับการดูแลรักษา หรือหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเขาก็จะมีเวลามารักษาศีลมาภาวนาได้อย่างเต็มที่ฉันั้นคนจนนี้มีโอกาสที่จะไปนิพพานง่ายกว่าคนรวยมากกว่าคนรวยแล้วคนรวยนี่มีภารกิจมีมีสมบัติมากก็จะมีความผูกพันมากมีความหวงมากคนรวยจึงต้องทําทานเนี่ยต้องต้องให้ต้องบ่ริจาค คนจนนี่ไม่ต้องให้แล้วเพราะไม่มีอะไรจะให้เช่นพระนี่ถือว่าเป็นคนจนพระนี้ไม่มีสมบัติเข้าของเงินทองพระจึงมีเวลาที่จะรักษาศีลให้บอยสุดได้อย่างเต็มที่มีเวลาที่จะบำเพ็ญได้อย่างเต็มที่ดังนนการให้นี่ก็เพื่อปลดเปื้อนท่านนั่นเองคือปลดเปื้อนภาระท า, ทางทางทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ให้ไปผูกใจไว้ ถ้าเป็นเรือก็เป็นเหมือนการถอนสมอเรือทรัพย์ ส, บสมบัติเข้าของเงินทองนี่เป็นเหมือนสมอเรือถ้าอยากจะให้เรือแล่นไปไหนมาไหนก็ต้องถอนสมอถ้าไม่ถอนสมอก็นั่งอยู่ในที่อยู่จอดอยู่ที่เดิมไปไม่ได้รักษาศีลไม่ได้รักษาได้ก็แบบว่าไม่ไม่ได้บยสุดภาวนาก็จะไม่มีเวลาภาวนา ลองไปคุยกับม้าเศรษฐีดูเขามีเวลานั่งสมาธิกันนะเขาก็จะมัวดูแต่ตัวเลขในบัญชีของเขานี่แต่ตัวเลขวีนหนึ่งก็ดูตัวเลขนี้ว่าขึ้นเท่าไหร่ถ้าไม่ขึ้นก็ลองหาวิธีทําให้มันขึ้นถ้ามันลดก็ต้องหาวิธีหยุดมันให้ได้เขาก็ยืนอยู่กับตัวเลขเท่านั้นแหละพวกคนที่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง ใจเขาอยู่กับตรงนั้นจะไม่มีเวลาที่จะมานั่งฟังเทศฟังธรรมวิปัสสนาอะไรอย่างนี้ได้ถ้าหมดเนื้อหมดตัวนี่เขาอาจจะมีเวลาเพราะไม่รู้จะทำอะไรด <c oughs> ังนั้น <c oughs> การทำทานก็เพื่อทำให้เรา <c oughs> ยากจนทำให้เราหมดเนื้อหมดตัวสิ้นเนื้อประดาตัวนี้ พอไม่มีแล้วก็ทีนี้ก็สบายแล้วมีภรรยาก็ต้องหย่ากันไปก็จะเป็นอิสระจะได้รักษาศีลแปดได้ถ้ามีก็ไปไม่ได้รักษาศีลแปดไม่ได้บวชไม่ได้ การมีลาภยศสรรเสริญมีความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายจึงเป็นเป็นเหมือนสมอเรือเป็นเครื่องทวงจิตใจที่จะไม่สามารถทำให้ใจลอยขึ้นสู่ที่สูงได้ขึ้นสู่วิปัสสนาขึ้นสู่สมถะภาวนาได้้เราก็ต้องเลือกเท่าทางใดทางหนึ่งมันไปด้วยกันไม่ได้ ความสุขทางโลกกับความสุขทางธรรมนี่ต้องไปคนละทิศคนละทางกันเหมือนความมืดกับความสว่างอยู่ด้วยกันไม่ได้ที่ไหนมืดก็จะไม่มีความสว่างที่ไหนสว่างก็จะไม่มีความมืดที่ไหนมีความสงบทางใจก็จะไม่มีความวุ่นวายทางทางใจที่ไหนมีความวุ่นวายทางทางใจมีก็จะไม่มีความสงบทางใจ ถ้าได้สัมผัสกับความสงบแล้วก็จะมีกําลังใจที่จะไปทางสู่ความสงบเพราะความสงบทางใจนี่มันเลิศกว่าความสงบความสุขทางร่างกายถ้ายังไม่เห็นนี่ก็จะยากแต่ก็ยังดีถ้าได้ยินได้ฟังก็ยังทําให้เกิดอความศรัทธาความเลื่อมใสแต่มันยังไม่มีกําลังพอ ต้องเอาต้องปฏิบัติให้เห็นความสงบนี้ให้ได้ถ้าได้ความสงบนี้แล้วรับรองได้ว่าจะมีกำลังใจที่จะตัดทุกสิ่งทุกอย่างได้ดน้เบื้องต้นนี้ตอนนี้เรามีความเริ่มสายศรัทธาในเรื่องของการหาความสงบแล้วขั้นต่อไปก็คือเราต้องหาเวลาเปิกเวลามาสร้างความสงบนี้ให้ได้ให้ได้สัมผัสรับรูบ้ อย่างน้อยก็ให้เห็นเหมือนเหมือนกับเห็นหนังตัวอย่างถ้าได้ได้ยินได้ฟังนี้มันยังสู้เห็ น, หนดูหนังตัวอย่างไม่ได้คนก็ว่าหนังเรื่องนี้ดีย่งั้นดีอย่างนี้ฟังไปแล้วมันก็เอมันก็น่าฟังอยู่แต่ถ้าได้เห็นกับตาเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะถึงใจกว่าเราได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อยๆว่านัตถิสันติพลังสุขขังไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบ บงังเราก็น่าเชื่อน่าฟังแต่ยังไม่รู้มันเนี้ยมันสุขยังไงมันดียังไงต้องให้สัมผัสรับรู้แม้เพียงแต่ชั่ววินาทีเดียวก็ยังดีชั่วขณะหนึ่งก็ดีจิตสงบปั๊บเดียวก็ดีมันจะเหมือนกับได้เห็นหนังตัวอย่างพอมันเห็นภาพนั้นทีนี้มันจะติดใจแทีนี้มันจะมีกําลังใจที่จะเลิกฤทธิ์สวะความสุขแบบเดิมๆไป เพื่อที่จะได้มาทุ่มเทเอาสร้างความสุขแบบใหม่นี้ขึ้นมาให้ได้อ่าขั้นตอนเขาเรียกว่าคานิกะสมาธิคานิกะก็มาจากคำว่าขณ ะ, ะหนึ่งขณะเพียงแต่แต่หนึ่งขณะนั่นมันมันมันมั น, ม, นมันแสนจะวิเศษเนี่ยมันจะติดตาติดใจไปจนวันตาย เพยายามเจริญสติให้มากหาเวลามาปลิดวิเวกจะเจริญสติให้ได้ผลดีทําใจให้สงบได้ น, นี้ต้องปลิดวิเวกต้องตัดความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายไปคือถือศีลแปดพระเจ้าจึงทรงบัญญัติวันพระขึ้นมาเพื่อให้สาธุชนพุทธบริษัทได้ปิดเวลาจากการหาความสุขหาเงินหาทองมาหาความสุขทางใจ มาอยู่วัดวัดสมัยก่อนไม่เหมือนวัดสมัยนี้วัดสมัยก่อนจะสงบเงียบสมัยนี้กลายเป็นศูนย์การค่าไปหมดแนละ้วมาอยากจะถามปัญหาทางอินเทอร์เน็ตต่อไปเป็น ต่อไปเป็นคำถามจากทาง a c e b o o k นะครับพระอาจารย์สุชาติแลพิชาโตนะครับคำถามข้อแรกจากคุณธรรมพเนจรศาสนธรรมนะครับกรผมเป็นพระตอนนี้มาปฏิบัติศาสนากิจที่อินเดียมีความสงสัยว่าถ้าเราจะปฏิบัติให้เข้าสู่กระแสพระนิพพานจะต้องกลับไปอยู่กับครูบาอาจารย์ ที่เป็นพระสุปฏิปันโนที่ไทยหรือไม่พอรู้สึกว่าภาวนาที่ต้นโพทีิที่ต้นโพพุทธคยาแต่ก็รู้สึกข้อวัดศีลเราจะไม่ค่อยสมบูรณ์ถ้าตอนอยู่เมืองไทยแล้วภารการงานก็ยุ่งมากทำสมาธิภาวนาได้น้อยกว่าตอนอยู่เมืองไทยโปรดเมตตาด้วยครับ ก็อยากจะเข้าสู่กระแสธรรมก็อย่างอย่างที่ได้แสดงธรรมไว้เนี่ยต้องถือภารกิจหลักของเราก็คือการเจริญจิตตะภาวนาการจะเจริญจิตตะภาวนาได้ก็ต้องอยู่กับผู้ที่รู้จักการเจริญจิตตะภาวนาอย่างแท้จริงถ้าไปอยู่กับคนที่ไม่รู้จักวิธีเจริญจิตตะภาวนาก็จะหลงทางได้ ถ้าเราไม่รู้ทางเราก็ต้องหาคนที่รู้ทางเป็นผู้นำทางต้องไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ท่านเท้มวดกวดขันเรื่องการเจริญจิตตภาวนาเรื่องการปลรกวิเวเรื่องการรักสถานที่รักษาสถานที่ที่ปฏิบัติธรรมให้สงบสงดวิเวกสมัยที่ไปอยู่กับวัดป่าม่านตาอยู่กับหลวงตาเนี่ยแหละท่านรักษาวัดอย่างนั้นจริงๆ ท่านจะไม่ให้มีอะไรเข้าไปในวัดเลยไฟฟ้าไม่ให้เข้าถ้าไม่มีไฟฟ้าโทรทัศน์ทีวีวิทยุอะไรต่างๆก็เข้าไปไม่ได้หนังสือพงหนังสือพิมพ์ก็ไม่ให้เข้าท่านเรียกทีวีโทรทัศน์ว่าเทวทัศน์เะฉนั้นถ้าเราอยากจะ จเจริญทางด้านจิตตภาวนาเราก็ต้องไปแสวงหาครูบาอาจารย์ที่ท่านเก่งในทางนี้อย่างหลวงตาท่านก็ก่อนหน้านั้นท่านก็เคยเรียนหนังสืออยู่วัดบ้านวัดเมืองแต่พอท่านได้จบประญญาสารประโยชนท่านก็บอกพอแล้วศึกษาพอแล้วต้องออกปฏิบัติแล้วท่านก็แสวงหาครูบาอาจารย์ก็ได้ทราบข่าวว่าหลวงปู่มั่นเป็นพระอาจารย์ที่เก่งทางด้านนี้ ท่านก็เลยมุ่งไปหาหลวงปู่มั่นแล้วก็ได้ไปอยู่ศึกษากับหลวงปู่มั่นอยู่ประมาณเก้าพันษาด้วยกันอันนี้แหละครูบาอาจารย์สําคัญมากเพราะครูบาอาจารย์จะเป็นผู้จัดการสถานที่จัดการวิธีการสอนทุกทุกทุกสิ่งทุกอย่างอย่างสมบูรณ์เราเพียงแต่ปฏิบัติตามที่ท่านสอนเท่านั้นถ้ามีครูบาอาจารย์ที่รู้ทางแล้วจะง่ายมาก ถ้าไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ไม่รู้ทางก็จะหลงทางกันฉะนั้นเท่ากับถ้าอยู่อินเดียก็ต้องกลับมาอยู่เมืองไทยที่อินเดียไม่มีใช่ไหมครับก็ไม่ทราบไปทำไมหลวงปู่มั่นท่านก็ไม่เลยไปหลวงตาท่านก็ไม่เคยไปครับคำถามข้อต่อไปจากคุณนนลพันธ์นะครับตอนนี้ตกงานทุกข์มาก อยากออกจากทุกข์ที่กำลังอยู่ตรงหน้าอย่างไรอายุมากแล้วเคยแต่เป็นลูกจ้างเขามีคนแกล้งให้ทนไม่ได้ควรวางใจอย่างไรผ่านมาสามเดือนยังทำใจไม่ได้อยู่คนเดียวบางครั้งอยากฆ่าตัวตายก็พอไม่เห็นอนิจจังทุกขั ง, งนะตาเ น, นี่ไม่เห็นว่างานนี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงออมีทมบางทีก็ไม่มีทำ พ่อไม่เคยสอนใจไม่เตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์นี้ไว้ก่อนไม่เคยจเจริญวิปัสสนาทําการบ้านไว้ก่อนว่างานนี้ไม่เที่ยงนะสักวันหนึ่งก็ต้องหมดไปแล้วเราก็ไปกําหนดไม่ได้โดยสั่งไม่ได้ว่าจะให้มันหมดเมื่อไหรเอาจะคิดว่าให้มันหมดตอนที่เราอายุหกสิบแล้วกเกษียอายุแล้วแต่บางทีบริษัทมันเจ๊งก่อนนั้นจะทํำยังไงนี่เป็นโทษของเราเองที่เราไม่ไป ไม่เตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแล้วพอตกงานแล้วก็ยังไม่ยอมหยุดความอยากยังอยากจะกลับไปทำงานอีกไม่ยอมมองความจริงว่าตอนนี้ไม่มีงานให้ทำแล้วถ้าอยากจะทำงานก็หางานที่เราทำได้สบายทำไมไม่หาใชงานวิปัสสนานี้มานั่งสมาธินี่ให้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เนี่ยคนที่ตกงานเนี่ยเป็นคนที่มีโอกาสที่จะมีเวลาที่จะบาเพ็ญจิตภาวนาได้อย่างเต็มที่แล้วล่ะ อันนี้แหละอย่างที่ว่าให้ฟังเนี่ยสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วทีนี้ก็งานก็ไม่มีทำเงินก็ไม่มีใช้ทีนี้ก็จะมีเวลานั่งสมาธิได้แล้วนั่งสมาธิก็ไม่ต้องใช้เงินอยู่บ้านจะนั่งเฉยๆให้นี้ทาไมนั่งไม่ได้หรื อ, อยังไงเนี่ยต้องคอยขอให้ถือว่านี่เป็นบุญของเราที่ตอนนี้เราตกงานฮะไม่มีเงินใช้โทษของเราปัญหาของเราอยู่ที่เรายังอยากจะกลับไปมีงานทำยังอยากจะมีเงินใช้อยู่ เรายังไม่เห็นโทษของการมีเงินมีทองไม่เห็นโทษของการมีงานว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เวลามันหมดไปเราควรจะเข็ดหลาบและเราควรจะเปลี่ยนหนทางการเดินของชีวิตเราได้แล้วว่าดีแล้วไม่มีงานก็ดีเราจะได้สมัครงานใหม่สมัครงานจิตตะภาวนาจเจริญสติอยู่บ้านทั้งวันพุทโธไปทั้งวันนั่งสมาธิเดินจงกรมสลับกันไป เดี๋ยวเผลอๆวันสองวันอาจจิตอาจจะสงบขึ้นมาเลยก็ได้อันนี้แหละขอให้เราควรจะดีใจว่าตอนนี้เรามีบุญมีวาสนามีโอกาสได้ภาวนาแล้วคำถามข้อต่อไปจากคุณพจน์นะครับมีสองคำถามนะครับรบกวนสอบถามเรื่องเทคนิคในการเจริญสติในชีวิตประจำวันเจ้าค่ะอันนี้ก็ได้แสดงไว้แล้วว่าให้มีสติ ให้รู้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจะบริกรรมพุทโธไปทั้งวันก็ได้ไม่ว่าทําอะไรตื่นขึ้นมาก็บริกรรมพุทโธก่อนที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรขณะที่ทําอะไรก็พุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ถ้าจะคิดก็ต้องคิดแต่เรื่องที่จําเป็นเท่านั้นเรื่องที่ปัจจุบันทันด่วนหรือเรื่องที่จําเป็นอถ้าตอนนั้นก็เราก็หยุดพุทโธแล้วก็คิดเช่นวันนี้ต้อง คิดว่าวันนี้จะต้องไปทําอะไรบ้างก็คิดได้แล้วต้องเตรียมตัวอะไรบ้างก็คิดได้เมื่อคิดเสร็จแล้วก็หยุดคิดแล้วก็กลับมาพุทโธต่อแล้วก็ไปเตรียมตัวไปทํางานที่ต้องทําไปขณะที่ทํางานถ้าต้องใช้ความคิดก็หยุดพุทโธไปเช่นบางทีต้องคิดบัญชีคิดเลขอย่างนี้ถ้าพุทโธไปมันก็คิดไม่ได้ก็ต้องหยุดพุทโธแล้วคิดเลขคิดบัญชีไปพอเสร็จงานแล้วค่อยค่อยกลับมาพุทโธพุทโธใหม่ต่อ หรือว่าถ้าไม่ใช้พุโทโธเหนื่อยก็ใช้การดูเฝ้าดูร่างกายว่าตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรก็อยู่กับการกระทาของร่างกายไปอย่างนี้เรียกว่าการเจริญสติในชีวิตประจำวันข้อที่สองนะครับในการสวดมนต์ควรวางจิตไว้เช่นไรจึงจะเป็นการเหมาะสมก็ให้จิตอยู่กับบทสวดมนต์อย่าไปคิดเรื่องอื่นนั่นเองอย่าไม่ใช่สวดไปแบบนกแก้วสวดไปแล้วก็คิดถึงคนนั้นคนนี้ อย่างนี้สวดไปก็ใจก็จะไม่สงบไม่นิ่งเยต้องอยู่กับบทสวดมนต์ทุกคําเลยอะระหังสัมมาสัมพุโทโธพคะวาก็ให้อยู่กับคําสวดนั้นอย่างเดียวอย่าไปคิดเรื่องอื่นคําถามข้อต่อไปจากคุณปิยนาฏนะครับข้อหนึ่งนะครับพอเราเริ่มมาสังเกตความคิดไม่ว่าจะคิดเรื่องอะไร <c oughs> เรารู้สึก ความคิดทุกข์มากๆอันนี้คือทุกข์ให้เรากําหนดรู้ใช่ไหมครับควรปฏิบัติยังไงต่อคือความคิดของเรามักจะคิดไปในทางความอยากมันก็เลยก่อความทุกข์ขึ้นมาถ้าอยากจะไม่ทุกข์ก็ต้องอย่าไปคิดตามความอยากอย่าไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อย่าอยากไปให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะไม่ทุกข์ข้อสองนะครับ อยากให้พระอาจารย์อธิบายคำพุทธวจนะนี้ดูก่อนกามเราได้เห็นมูลลากของเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากความดำริเราจากไม่ดำริถึงเจ้าอีกเจ้าจะไม่เกิดโดยอาการอย่างนี้อีกคำว่าดำรินี่คือการที่เราเอาจิตไปคิดถึงสิ่งนั้นใช่ไหมครับ ใช่เราคิดถึงสิ่งใดเราก็จะอยากได้สิ่งนั้นคิดถึงคนที่เรารักเราก็อยากจะหาเขาอยากจะให้เขาม า, าอยู่กับเราถ้าเราไม่คิดถึงเขาเราก็จะไม่เกิดความอยากขึ้นมาแปลว่าเราต้องไม่ตำหนิถึงเรื่องใดเลยใช่ไหมครับต้องเอาจิตมาอยู่ในกายในกายหรือเจริญกายหรือเจริญกายกายกายสติ ตลอดเวลาใช่ไหมครับใช่ก็อย่างที่สอนไว้ไงเมื่อกี้บอกให้พุโทโธไปตลอดเวลาหรือให้เฝ้าดูร่างกายอยู่ตลอดเวลาอย่าให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะไม่เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาคำถามข้อต่อไปจากคุณหญิงนะครับขณะนั่งสมาธิรู้สึกกลัวผีข้อหนึ่งไม่ทราบว่าในขณะนั้นต้องทาอย่างไร เวลากลัวพระพุทธเจ้าก็บอกให้ละเลิกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เช่นท่องพุทโธพุทโธไปท่องธรรมโอธรรมโมไปท่องสังโฆสังโฆไปหรือจะท่องพุทโธธรรมโอสังโฆไปพร้อมๆกันก็ได้หรือจะสวดอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปัโนไปก็ได้อย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราเกิดความกลัวขึ้นมาส่วนข้อสองคงไม่ต้องตอบแล้วครับเพราะพอพาจารย์ได้ตอบไปแล้วนะครับอ่อ คำถามข้อต่อไปจากคุณประทุมนะครับเคยทำสมาธิได้ดีพอสมควรเริ่มก้าวถึงขั้นปัญญาดูเหตุและผลของทุกข์ได้นิดหน่อยเห็นว่าได้ผลเลยติดอยากดับทุกข์ได้ไม่ใส่ใจสติสมาธิสุดท้ายเลยจับต้นชนปลายไม่ถูกได้คําอธิบายจากพระอาจารย์ครั้งที่แล้วถึงเข้าใจ เจ้าค่ะวันนี้ขอถามพระอาจารย์ว่าเพราะอะไรจิตถึงเคลื่อนออกจากร่างได้และการเคลื่อนออกแต่ละครั้งอาการของจิตก็ไม่เหมือนกันบางทีก็ออกอย่างรวดเร็วบางทีก็ออกอย่างเรียบเรียบบางครั้งเห็นร่างกายเริ่มสลายเหลือเพียงลมหายใจที่ปลายจมูกสุดท้ายจิตก็เคลื่อนออกไปรับรู้ภายนอกเป็นเพราะอะไร คือเวลาเรามีสติดึงใจให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจิตก็จะปล่อยการรับรู้เรื่องราวต่างๆปล่อยการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสปล่อยการรับรู้ร่างกายไปเวลาไม่มีสติใจมันก็จะถูกกิเลสตัณหาความอยากดันให้ออกไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะนั่นมันก็อยู่ที่สตินี่ถ้าสติมีกําลังมากมันก็จะ มันก็จะออกจากทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่ความสงบได้อย่างรวดเร็วถ้าสติมีกําลังน้อยก็จะเข้าสู่ความสงบได้ช้าหรือได้ยากปัญหาจึงอยู่ที่สติของเราว่ามีมากหรือมีน้อยในแต่ละวันถ้าวันไหนเราจะเริญสติได้อย่างต่อเนื่องเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้อย่างรวดเร็วอันไหนที่ไม่ได้เจริญสติอย่างต่อเนื่องเวลามานั่งสมาธิจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้ยาก ต้นเหตุของความสงบง่ายและยากก็อยู่ที่สติว่ามีมากหรือ ม, มีน้อยคำถามข้ อ, อตอบไปจากคุณพัชนันนะครับโดยเป็นคำถามที่ยกขึ้นที่เกิดขึ้นจากชีวิตจริงในช่วงวันอาสาลหาบูชานะครับคือสิทธิ์เริ่มป่วยติดเชื้อไข้หวัดใหญ่มาเป็นเวลาสองอาทิตย์กว่าจนถึงปัจจุบันคือในขณะที่ป่วยพักฟื้นอยู่ที่บ้าน สิทธ์ก็ทานยาและพักผ่อนตามที่หมอบอกช่วงระยะเวลาที่สิทป่วยกายมันไม่มีแรงเลยแต่ใจของสิทธิ์อยู่กับคําบริกรรมและทําความรู้สึกอยู่กับตัวตลอดเวลาและมีความรู้สึกว่าจิตใจอยู่กับกายคืออยู่ภายใต้ผิวหนังมันเป็นความรู้สึกไม่ใช่ความคิดเหมือนว่าจิตเขาจะสํารวจภายในผิวหนังเอง สิทธิ์ก็เลยจับอารมณ์นั้นโดยไม่มีคำบริกรรมและเผลอหลับไปตอนไหนไม่รู้แต่พอรู้สึกตัวขึ้นจิตจับบริกรรมทันทีก่อนลืมตาสิธ์อยากกลาบเรียนถามพระอาจารย์ว่าเวลาเจ็บป่วยและมีเวทนาควรเจริญสติอย่างไรที่จะต่อเนื่องไม่เผลอหลับไปปฏิบัติอย่างไรให้มีกาลังสติที่เข้มแข็ง ตั้งมั่นเพราะตรงที่เผอนี้มันเป็นความไม่รู้เป็นอวิชชาใช่ไหมเจ้าคะเวลาที่หลับไปก็แสดงว่าสติหมดกำลังไปเท่านั้นเองไม่ได้เป็นอวิชชาอาวิชชามันมีอยู่ภายในใจแล้วแต่การมีสติก็จะทำให้เราตื่นเวลาไม่มีสติก็จะทำให้เราหลับการที่จะมีมสติมากสติน้อยก็อยู่ที่ว่าเราจะเจริญมากหรือเจริญน้อย ถ้าเราจเจริญสติมากมันก็จะไม่หลับถ้าจเจริญสติน้อยพอมันอ่อนกําลังลงไปมันก็จะหลับไปดงั้นปัญหาก็คืออยู่ที่ตัวสติตัวนี้ตัวเดียวต้องจเจริญให้มากถ้ามีสติมากก็จะทําใจให้สงบได้มากถ้าใจสงบได้มากใจก็จะไม่ถูกความเจ็บไข้ได้ป่วยมากระทบกระเทือนเพราะใจสงบไม่รับรู้ แต่ถ้าใจไม่สงบใจก็จะไปรับรู้จะไปปรุงแต่งกับความเจ็บไข้ได้ป่วยจะเกิดความอยากให้มันหายก็จะทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาดังนั้นต้องพยายามเจริญสติให้มากไม่ว่าจะใช้พุทโธก็ได้จะใช้กายกา ย, กายกตาสติก็ได้จะใช้ลมหายใจเข้าออกก็ได้จะใช้การสวดมนต์ก็ได้ขอให้เราเจริญให้มากๆควบคุมความคิดให้ให้ได้ เพราะความความอยากเกิดจากความคิดถ้าถ้าเราควบคุมความคิดได้ความอยากเราก็จะควบคุมความอยากได้ถ้าเราควบคุมความอยากได้เราก็จะควบคุมความทุกข์ได้คือเขากังวลว่าเขาไม่เคยป่วยนานขนาดนี้ครับอ่าเขากลัวจะมีโรคอื่นแทรกเขาก็เลยอยากให้พระอาจารย์แนะนําการปฏิบัติเวลาที่เจ็บควย ถ้ากลัวก็ต้องใช้วิปัสสนาพิจารณาว่าในที่สุดก็ต้องแก่เจ็บตายด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นเทวดาหน้าไหนก็ตามเป็นราชาพระมาหากษัตริย์พระธานาธิบดีนายงรัฐมนตรีหรือขอทานข้างถนนก็อยู่ภายใต้สภาพอันเดียวกันร่างกายของคนทุกระดับมีมีธรรมชาติอันเดียวกันก็คือความแก่ความเจ็บความตายโายครคภัยไข้เจ็บก็มีอยู่สามชนิดทุกๆคน ชนิดแรกก็คือเป็นแล้วหายเองชนิดที่สองเป็นแล้วต้องรักษาถึงจะหายชนิดที่สามเป็นแล้วรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายมีแต่จะตายอย่างเดียวเพราะฉะนั้นขอให้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับโลกทั้งสามนี้เถอะเพราะมันจะต้องมานแน่ๆอย่าไปกลัวมันเพราะว่าสิ่งที่ตายเราไม่ใช่เป็นตัวเราอยู่แล้วเราไปหลงคิดว่าเราเป็นมันเองร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรามันถึงทําให้เราเกิดความทุกข์ พอเราไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราคิดว่าเราจะตายแต่ความจริงเราเป็นคนขับรถขับร่างกายอันนี้ร่างกาย น, นี้เป็นเหมือนหุ่นที่เราที่ใจเป็นผู้เชิดเป็นผู้สั่งให้มันเดินไปเดินมาทำํนทำนู่นทํานี่เวลาร่างกายตายไปนี้ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยใจไม่ได้เจ็บไปกับมันแต่ความหลงมันหลอกให้ทําให้ใจคิดว่าเป็นร่างกายมันก็เลยเกิดความทุกข์เกิดความกลัวขึ้นมา ถ้าจเจริญวิปัสสนาสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายเป็นเหมือนรถยนต์เราเป็นเหมือนคนขับคนขับไม่ได้เป็นอะไรกับรถยนต์ฉะนั้นไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจถ้าสอนใจอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่มีความกลัวมันก็จะอยู่กับโครคภัยไค่เจ็บได้รักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไปถ้ามันจะตายก็ปล่อยมันตายไป เพราะมันเป็นอนัตตาเราไปห้ามมันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราของเราอันนี้ก็จะดับความทุกข์ดับความกังวลใจได้อย่างทะอย่างท้าวอนคําถามเพิ่มเติมจากท่านเดียวกันนะครับถ้าเราฝึกสติโดยการใช้คําบริกรรมพุทโธในขณะที่นั่งสมาธิ<ม>เวลาเดินจงกรมใช้คําบริกรรมพุทโธจัด ก, กําหนดจิตไว้ที่ไหนคะก็อยู่ที่พุโทโธต่อไปเนะี่ย เวลาถ้าใช้พุทธโธก็ให้รู้อยู่กับพุทธโธอย่างเดียวไม่ต้องไปกาหนดที่ส่วนอื่นร่างกายไม่ต้องไปสนใจให้สนใจอยู่กับพุทธโธเพื่อควบคุมความคิดนี้เองให้ดูว่าพุทธโธเรามีความคิดเข้ามาแทรกหรือเปล่าถ้ามีแทรกเราก็ต้องท่องพุทธโธให้เร็วขึ้นกระดะให้ถี่ขึ้นเพื่อจะได้ไม่ให้ความคิดเข้ามาแทรกควรจะอยู่ที่เดียวกับการนั่งสมาธิหรือจะอยู่ที่ความรู้สึก ที่การกระทบที่เท้าสัมผัสก like ับพื้นก็อย่างที o, ่บอกจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เอาพุทโธก็อยู่กับพุทโธเอาร่างกายก็อยู่กับร่างกายถ้าจะเอาร่างกายก็เวลาเดินก็ให้ดูว่ากาลังเดินอยู่เช่นเวลาก้าวเท้าซ้ายก็รู้ว่ากำลังก้าวเท้าซ้ายเวลาก้าวเท้าขวาก็รู้ว่ากำลังก้าวเท้าขวาก็ให้รู้เท่านั้นเพื่อไม่ให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆสิทธิเคยฝึกการเจริญสติมาหลายรูปแบบ มีความเข้าใจว่าต่างกันที่การใช้คำเรียกเท่านั้นแต่เท่าที่สังเกตตัวเองจะรู้สึกว่าในชีวิตประจำวันการใช้คำเบริก ร, รพุโทโธจะทำให้จิตอยู่กับกายได้ดีพร้อมกับสำรวมอายตนะได้อย่างอัตโนมัติแต่เวลาเดินจงกรมใช้คำเบริก ร, รพุโทโธอย่างเดียวเหมือนมีช่องว่างให้ความคิด จากฟุ้งซ่านได้ง่ายถ้าเดินจงกรมแล้วกาหนดอริยบทย่อยโดยการบริกรรมยกย่างเหยียบแล้วดูอาการของการยกการย่างการเหยียบไปด้วยจะทำให้จิตสงบได้ง่ายไม่ฟุง้งซ่านความคิดน้อยลงถ้าเป็นอย่างนี้แล้วควรปฏิบัติอย่างไรจึงถูกต้องไม่สับไม่สับสน ลังเลสงสัยคะก็ดูผลเป็นหลักก็แล้วกันผลมันดีอย่างไรก็เอาอย่างนั้นมันสมบด้วยวิธีใดก็เอาวิธีนั้นกันแล้วกันบริกา ร, รพูดโทรทั้งเดินและนั่งหรือบริกา ร, รพูดโทรเวลานั่งส่วนเวลาเดินจงกรมกาหนดอิริยาบทย่อยคะ ก็บอกลราไงว่าแล้วแต่วิธีไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละขอให้มันสงบก็แล้วกันเหมือนกินข้าวจะกินอะไรก็ได้ขอให้มันอิ่มก็แล้วกันจะกินก๋วยเตี๋ยวก็ได้กินข้าวต้มก็ได้กินข้าวผัดก็ได้อกินแม็กก็ได้ขอให้มันอิ่มก็แล้วกันครับหมดคำถามสําหรับวันนี้มีท่านใดเพิ่มเติมเชิญได้เลยนะครับคําถามปฏิบัติครับที่นี่มีใครอยากจะถามยนไหม คือการการทำใจสงบการเจริญสตินี้มันมีหลากหลายวิธีเนี่ยเหมือนกับการรับประทานอาหารมันมันมีอาหารหลากหลายชนิดชนิดไหนที่เหมาะกับเราเราก็เอาชนิดนั้นก็นแล้วกันฝรั่งก็ต้องกินขนมปังคนไทยก็ต้องกินข้าวเนี่ก็บางคนก็ต้องพุโทโธบางคนก็ต้องดูเอริยาบนุนบางคนก็ต้องก้าวก้าวนาะย่างหนาะวางหนอก็ว่าไปตามอธัธยาศัย อันใดก็ได้ที่ทำให้ใจสงบไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดก็อันนั้นก็ถูกกับเรานานาจิตตังกรรมฐานถึงมีอยู่สี่สิบชนิดด้วยกันกรรมฐานก็คืออารมณ์ที่ใช้ในการเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบนี่มีถึงสี่สิบชนิดด้วยกันดังนั้นในคนคนเดียวกันนี้ก็อาจจะใช่หลายอย่างพระในเวลาที่ภาวนาไปแต่ระดับมันอาจจะเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม แต่ไม่ได้เปลี่ยนไปด้วยความอารมณ์เอแต่เปลี่ยนไปด้วยความเหมาะสมมันมีเหตุที่ทําให้เปลี่ยนเช่นเวลานั่งเนี่ยจะเวลาเดินจะดูลมนี่มันยากดูเท้ามันง่ายกว่าแต่เวลานั่งนีนเท้ามันไม่ก้าวล้วก็ต้องดูลมแทนแต่ถ้าพุทโธนี่ทําได้ในทุกอิริยาบถพุทโธนี่ไม่ขึ้นไม่ต้องสนใจกันเรื่องอิริยาบถของร่างกายให้อยู่กับพุทโธเพื่อไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เท่านั้นเอง อันนี้ก็แล้วแต่จริตของแต่ละคนบางคนก็ชอบไปในทางปัญญาพอจิตฟุง้งง่ายคิดถึงความตายแล้วก็หายฟุ้งเลยอันนี้ก็แล้วแต่บางคนใช้ใช้ใช้ปัญญาไม่ได้พอคิดถึงความตายแล้วบอกใจสัน่นใจหดหูอันนี้ก็ไม่ถูกจริตก็ต้องบางคนก็ต้องใช้พุโทโธบอกพอคิดถึงพุโทโธแล้วใจเย็นสบายงัย้นจริตของแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกัน ต้องดูเจตคติของตนเองว่าเหมาะกับการภาวนาแบบไหนอารมณ์ใดแบบไหนเหมาะกับตนก็ใช้อารมณ์นั้นไปอารมณ์ที่ไม่เหมาะก็อย่าไปฝืนขอให้ดูผลเป็นหลักว่าทําอย่างนี้แล้วได้ผลดีก็เอาอย่างนี้ถ้าทําอย่างนี้แล้วไม่ผลดีก็ต้องพิจารณาดูว่ามันอยู่ที่อยู่ที่อารมณ์ที่เราใช้หรืออยู่ที่ว่าใจเราไม่มีสติบางทีอารมณ์อาจจะไม่เป็นปัญหาปัญหาอยู่ที่ ควบคุมใจไม่ได้ยังปล่อยให้ใจคิดฟุ้งซ่านอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็ต้องหาวิธีแก่บางทีก็ต้องไปอยู่ที่หน้ากลัวเวลาไปอยู่ที่หน้ากลัวแล้วมันจะไม่กล้าคิดอะไรให้มันอยู่กับพุทธโธมันก็จะพุทธโธอย่างเดียวมั น, นสวดมน์มันก็จะสวดมน์อย่างเดียว <c oughs> อันนี้บางทีมันไม่ได้อยู่ที่อยู่ที่กรรมฐานไม่ได้อยู่ที่อารมณ์ที่เราใช้อยู่ที่ว่าใจของเรามันดื้อ มันดื้อเราก็ต้องดับนิสัยมันถ้ามันอยู่ในที่ปลอดภัยมันมักจะดื้อมันจะไม่เชื่อฟังเราแต่ถ้าไปอยู่ที่หน้ากลัวอันตรายนี้มันจะมันดื้อบอกให้มันทําอะไรมันจะทําทันทีงั้นการมีคูบาอาจารย์เ น, นี่ยจะช่วยได้มากเพราะทางนี้เราไม่เคยมาก่อนเหมือนกับเราเป็นคนไข้รักษาโรคภัยไข้เจ็บ ด, ด้วยตัวเองนี่ยากไปหาหมอนี่ง่ายกว่า พอบอกว่าเป็นอาการอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หมอ ก, ก็จะรู้ทันทีวิธีแก้เลยการภาวนาจึงไม่ควรจะปัสแจ ก, กูบาจารย์นอกจากว่ามันไม่มีท่านนั้นหาไม่ได้ก็ต้องอาศัยกูบาจารย์ในรูปแบบของหนังสือหรือพระไตรปิฎกของพระพุทธเจ้ามันก็เป็นเหมือนกับการไปหายาในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยทีก็ต้องไปเปิดตำรา ด, ดูว่าเออเราเป็นโรคอะไรจะใช้ยาและรักษา มันก็จะช้าหน่อยแต่ถ้ามีหมอนี่ไปบอกเล่าอาการให้หมอฟังปั๊บหมอก็จะรู้เลยว่าเป็นโรคอะไรจะใช้ยาอะไรรักษามันก็จะรวดเร็วกว่าเรนั้นต้องศึกษาต้องมีครูบาอาจารย์คอยให้คำคาปรึกษาเวลามีข้อสงสัยอะไรก็ต้องถามแต่อย่าถามแบบตะพุตตะพือนอาจใช้ปัญญาของตนคิดไปก่อนหาวิธีวิเคราะห์ดูก่อน เพราะว่าถ้ามีอาจารย์ในตัวเราได้ยิ่งดีใ่เราจะได้ไม่ต้องไปอ า, อ า, อาศัยอาจารย์ข้างนอกการใช้ปัญญาคิดวิเคราะห์พิจารณาด้วยเหตุด้วยผลนี่ก็เป็นการสร้างอาจารย์ขึ้นมาในตัวเราเนี่เองเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่ท่านไม่สามารถไม่มีอาจารย์มาสอนให้ท่านตัดความอยากได้ไปถามอาจารย์องไหนท่านก็บอกว่าทําได้แค่สมาธิกดมันไว้เท่านั้นเองแต่พอออกมาจากสมาธิมันก็โผล่ขึ้นมาเอง ไม่มีอาจารย์รูปไหนรู้วิธีที่จะกำจัดความอยากได้อย่างถางวรก็เลยต้องศึกษาเองศึกษาเองก็ช้าหน่อยแต่ในที่สุดก็สาเร็จได้งั้นถ้าถ้าถ้าเราเพึ่งตัวเราได้ก็หัดพึ่งตัวเราไปก่อนพึ่งไปจนกว่ารู้สึกว่ามันตันจริงๆหาทางออกไม่ได้แล้วเราค่อยไปปรึกษากับครูบาอาจารย์อีกทีหนึ่ง ไม่ใช่มีอะไรนิดอะไรหน่อยก็ถามถามมันทุกทีอย่างนี้มันก็จะไม่มีวันที่จะฉลาดได้ <Yeah. S 1> มีใครอยากจะถามอะไรไหมเอออะไร ญา ย, ยอมที่มาใหม่นี่มาทางไหนกันมาทางเฟซบุ๊กหรือมาทางเคยมากันน ะ, าะมาเฟซบุ๊กนะทามาใกล้ๆฐานตรงนี้จะได้เสีงยงจะได้เข้าหมหเสีงยงจะได้เข้ามาขยันมาหน่อยคนหนึ่งก็จะได้การที่ผู้ทานจัถึงว่าการที่เราจะทำสิ่งนี้ มีการกล่าวว่าการจะมีความสุขกับผลกตของเราด้วยทีนี้ความยากมัคือว่าเราจะทราบได้อย่างไรกับว่าคุขของมันก็ต้องลองดูต้องลองไปลองไปได้เรื่อยเจ้าขคงที่สอนต้ถูกใจแเราใช่ถ้าทําให้เราเข้าใจได้ทุกทุกสัตว์ทุกส่วนไปอยู่กับ้ององค์ท่านอธิบายแล้วเราฟังไม่เข้าใจ หรืออุบายวิธีการปฏิบัติของท่านอาจจะไม่ถูกกับเราก็ได้เราก็ต้องลองไปหาดูไปศึกษาไปเหมือนกับซื้อรถเนี่ยซื้อคันนี้ขับแล้วดูเสร็จกาไม่ไม่ถูกใจก็เปลี่ยนรถใหม่เปลี่ยนมันไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้รถที่ถูกใจเราการที่เราต้องใช้เวลานานอาจารย์นั้นเป็นเพราะอิทธิกรรมหรือเปลาก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่ มันไม่ไม่เอื้อกันละก่ใช่มันไม่เรื่องของวิบากไม่ด้องกังวเนี่ยมันจะช้าหรือจะเร็วจะเป็นวิบากไม่วิบากขอให้เราหาไปจนกว่าเราจะได้คนที่ <ใน S 1> ถูกใจเราเอออย่าหยุดห า, าถ้าถ้าไม่อยากจะไปหาก็เอาหาพระพุทธเจ้านี่แหละก็ไปหาในพระไตรปิฎกนี่แะศึกษาพระไตรปิฎกคนคว้าในพระไตรปิฎกก็ได้ ไม่ต้องไม่ต้องศึกษาทั้งทั้งหมดนะครับค้นคว้าประสูตรสำคัญสำคัญมีไม่กี่ประสูตรเช่นสติปัฏฐานสูตรธรรมจักกับปวัตนนาสูตรอนัตตลกนาสูตรอาทิตยะสูตรแล้วก็มงคลละสูตรแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วพอเพียงที่จะเป็นแนวทางในการดำเนินปฏิบัติได้ ควรจะศึกษาจากพ่อตไตยปิดกด้วยเพื่อเราจะได้มีมาตรฐานเวลาเราไปศึกษากับครูบาอาจารย์อื่นเราจะได้รู้ว่าท่านรู้จริงหรือไม่รู้จริงสอนถูกหรือไม่ถูกถ้าไม่มีมาตรฐานเดี๋ยวไปฟังท่านท่านสอนสอนไปในทางที่ผิดเราก็จะหลงไปผิดไปกับท่านได้มีอะไรไหมไม่มีแล้วนะก็สมควรงก่เวลานะ ขอเอาไปปฏิบัตินะฟังอย่างเดียวไม่พอนะฟังแล้วเนี่ยต้องเอาไปปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติแล้วผลก็จะเกิดถ้าฟังแล้วไม่เอาไปปฏิบัติก็จะไม่เกิดผลถ้าปฏิบัติโดยไม่ฟังก็อาจจะปฏิบัติผิดได้ดังนั้นต้องมีทั้งฟังและมีทั้งปฏิบัติถึงจะได้ผล once you have listened to what I say then you have to do what I say once you have done what I say then you will have the result the good result o k o k ก็ว hmm. <laughs> ันนี้ก็ขอยุดติดไว้เพียงเท่านี้นะพรุ่งนี้ยังมีอีกวันพรุ่งนี้ยังอยู่อีกวัน